วันนี้ก็เป็นวันที่หกของการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมทุกท่านเขาคงจะได้ฝึกหัดกันอย่างเต็มที่ฝึกหัดที่จะให้ใจอยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธก็อยากจะย้ำสักนิดหนึ่ง การที่เราคิดพุโทโธแต่ถ้าใจเราอยู่กับพุโทโธหมายถึงว่าความใส่ใจความตั้งใจในการที่เราจะนึกพุโทโธกับการที่เรานึกพุโทโธแบบทรงเดชไปหมายถึงว่าสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าทมแต่ความใส่ใจความตั้งใจของเรามันไม่ได้อยู่กับพุโทโธ มันก็จะทำให้การงานของเราเนี่ยทำได้ไม่ดีการงานทางใจของเรามันก็จะไม่ตั้งมั่นอย่างลงได้ดีการที่เรามีใจมีความใส่ใจแต่ไม่ได้ขึงเครียดนะทำอย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละขอแค่มีความใส่ใจความตั้งใจในการงานที่เราเจะ บ, บริกรรมคำว่าพุโทโธ ความใส่ใจความสนใจเอยากจะย้ำตรงนี้ความใส่ใจความตั้งใจสําคัญเพราะถ้าเราตั้งใจโดยใส่ใจนั่นหมายถึงว่าจิตของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น mm. การที่เราตั้งใจในหนึ่งคำรบของการบริกรรมพุทโธเนี่ยคำแค่นี้เองไม่ได้อะไรมากทำแค่หนึ่งคำรบของพุทโธ ให้มันได้ทุกๆคำรบของพุทโธพุทโธ ท, ทุกๆประโยชน์ของพุทโธไปเราก็ตั้งใจไป <c oughs> ความใส่ใจความตั้งใจให้หยุดอยู่ตรงที่ที่เหตุที่เรากำลังทำ <c oughs> อย่าไปสงใจเมื่อไหร่ผลคือสมาธิผลคือความสงบใจจะได้สักทีหนึ่งอันนั้น ถึงมีพุทธโธไปก็ไม่ได้เรื่องได้เราเพราะว่าใจมันอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พุทธโธใจมันไปอยู่กับผลคือความอยากอยากในผลลัพธ์มีอยากอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเผาใจเราแล้วเราก็จะหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีหนึ่งทำไมไม่ได้สักทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็แค่สังเกตใจเราดีๆนะภาวนาก็คือเรื่องของจิตใจซึ่งถ้าเรามาฝึกหัดจิตใจแล้วเราไม่สังเกตจิตใจเราให้ให้ดีให้ละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ได้รับผลที่ที่ดีไปด้วยแต่การที่เรามาจดจอ่อใจก็ต้องใจอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็สังเกตสังเกตใจไปด้วย ว่าใจของเราตอนนี้มันอยู่ยังไงความใส่ใจของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยใจเรามันอยู่ตรงนั้นถ้าความใส่ใจของเรามันไปอยู่กับปวดใจเรามันก็หนีจากพุโทโธไปถ้าใจเรามันไปอยู่กับเมื่อไหร่มันจะเป็นสมาธิแบบนั้นเป็นอย่างนี้ใจเรามันก็หนีจากพุโทโธไปคือหนีเลยหนีจากหนทางแห่งความดีของเรา เันก็แค่ว่าทาอย่างสบายๆเรามาเข้าสมาธิมาฝึกหัดจิตใจเราก็เพื่อที่จะอยากให้ใจเรามีความสุขเป็นวิธีที่เราจะพัฒนาความสุขในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปขึงเครียดอยากจะได้อยากจะได้เนี่ยมันไม่ได้แน่อนอนแล้วหนาซ้านันได้ทุกทุกใจกลับไปด้วยแต่ถ้าเราทำสบายๆใจเราได้ ยินดีในการที่เราทำเหตุที่ดีหยุดใจเอาไว้ตรงนี้พอแล้วเพราะเหตุที่ดีได้ผลที่ดีแน่นอนขอให้มั่นใจเลยว่าเราทำเหตุที่ดีผลที่ดีมันได้แน่นอนไม่ต้องไปกะเกณฑ์ผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงเหตุดีได้ผลดีเครื่องยืนยันก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเหล่าพระสาวกอราหารันต่างๆ หรือแม้แต่ตัวเราก็ตามในขณะที่บางครั้งเราทำแล้วมันถูกต้องทำเหตุได้อย่างพอสมควรผลที่ได้มันก็ปรากฏปรากฏชัดกับเราเองนะว่าความสงบใจมันเป็นยังไงมันดียังไงมันดีจากตอนที่เราอยู่ข้างนอกฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่เราเห็นเรื่องที่เราได้ยินเรื่องที่เราคิด แต่ณนะตอนนี้ใจเรามีเครื่องอยู่แล้วก็พยายามอยู่ให้อย่างดีแล้วก็สงบระงับจากเรื่องที่คิดได้จากเรื่องที่ไม่มีเรื่องมากระทบกระเทือนใจจากตาจากหูมากใจเราก็มีความสบายนั่นแหละมีความสบายมีความสงบระงับเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่า ที่เราฝึกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสติแต่บางคนอาจจะอยากได้สมาธิไปด้วยอันนั้นมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งการที่เรามีสติกับการที่เรามีสมาธิเนี่ยมันมันยังไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันการที่เรามีสติแต่ใจยังไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นได้แต่การที่เรามีสติแล้วก็มีอารมณ์ที่มันตั้งมั่น อารมณ์ที่มันสงบประนับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสย้อนกลับเข้ามาอยู่กับพุโทโธหรือลมหายใจหรือเครื่องอยู่ของเราเนี่ยในภายในมีอารมณ์จากการที่เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบนี้แหละสบายๆกลางๆถ้าไปเทียบกับอารมณ์วุ่นวายจากตอนที่เรายังต้องทางานหายอยู่หากินเนี่ยเราจะ รู้ได้อย่างชัดเจนเลย ว, ว่าการที่เรามีเครื่องอยู่ที่ดีเนี่ยใจมันสบายยังไงก็สบายแบบนี้แหละพอเราอยู่ได้อย่างตั้งมั่นมันก็เป็นอารมณ์ที่มันตั้งมั่นไปด้วยพออารมณ์ที่มันตั้งมั่นไปเนี่ยมันจึงขึ้นชื่อว่าใจเนี่ยเป็นสมาธิ เพรัสมาธิมันเป็นเรื่องของอารมณ์ภายในใจนะอารมณ์ที่มันตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเราอยู่กับพุทธโธเราก็มีอารมณ์อันเดียวอยู่กับพุทธโธไม่ได้มีอารมณ์ที่เป็นไปในทางโลภโทสะบุหะราคะอันนี้ที่อยากจะย้ําเพราะว่าถ้าเราคิดแต่ว่าการที่เรามีสมาธิเนี่ย ต้องไม่คิดเลยหรือไม่ได้ยินหูดับไปกายไม่รู้สึกมันก็เป็นได้อันนั้นก็เป็นสมาธิแบบหนึง่งแต่สมาธิที่เราจะนําไปใช้พัฒนาชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาสมาธิในแบบที่หูดับตาไม่เห็นไม่มีกายอันนั้นมันยังใช้แก้ทุกข์ไม่ได้มันก็ต้องถอยออกมา ถอยมาเป็นในระดับที่ตาดูได้หูฟังได้ยินจมูกได้กลิ่ น, ร, นรับรสกายก็ยังสัมผัสได้ความคิดนึกปรุงแต่งก็มีแ ต, แต่ใจเราเนี่ยมีอารมณ์ที่มันไม่หวั่นไหวตั้งมั่นแบบนี้แหละอารมณ์ที่มันไม่หวั่นไหวนี่แหละที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่า ขณะที่เราเดินขณะที่เราลืมตาขณะที่เราได้ยินเนี่ยเราเป็นสมาธิทุกๆขณะสาคัญตรงนี้นะความเห็นก็ต้องตรงด้วยการที่เป็นสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิที่เราอยากจะได้อยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คืออารมณ์ที่มันตั้งมั่นแบบนี้นี่แหละแล้วเราก็ไปเผชิญ เผชิญกับรูปข้างนอกเสียงข้างนอกกลิ่นรสสัมผัสสุดท้ายก็คือความคิดนึกปรุงแต่งของใจของเราเองเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วใจเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เราเห็นหรือตามสิ่งที่มันจะมากระทบใจได้เนี่ยก็ึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ส่งสมาธิได้ดี มีสมาธิที่มีกําลังแต่แน่นอนว่าการที่จะมีอารมณ์ที่มันไม่หวั่นไหวไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งเหล่านั้นได้เนี่ยสติมาก่อนเลยมาเป็นตัวแรกเพราะกันที่เรามีสติที่เป็นสัมมาสติกับเครื่องอยู่ที่ดีคือพุทโธหรือ จะกำหนดลมหายใจยังไงก็แล้วแต่เป็นเครื่องอยู่ที่ดีให้ใจการที่เราอยู่กับเครื่องอยู่มีสติคอยะระลึกนึกถึงเครื่องอยู่ของเราแบบนี้มันจะทำให้สมาธิคืออารมณ์ในใจของเรานี่มันตั้งมั่นได้เราก็จะไปะเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างไม่ตุปัตตุเปเหมือนที่ผ่านๆมา บางครั้งเราเข้ารับการฝึกอบรมเราก็ได้รับความสบายกลับไปแน่นอนแหละว่าในในวัดในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ได้ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เป็นอย่างดีถ้าเปรียบเหมือนทหารเนี่ยทหารเวลาเขาจะรบกันเนี่ยเกณฑ์ปุ๊บเข้าไปรบไม่ได้เขาก็ต้องเอาเข้า กรมกองฝึกรู้จักระเบียบวิธีรู้จักาการใช้อาวุธระเบียบวิธีที่เราจะต่อสู้กับข้าศึกในสภาวะการต่างๆสภาวะกลางวันสภาวะกลางคืนแล้วก็ยุทธวิธีในการโจมตียุทธวิธีในการตั้งรับยังไงเราก็ฝึกฝนแล้วก็ฝึกบ่อยๆฝึกหลายๆครั้ง แต่แน่นอนแหละมันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่มันเพียงพอไหมมันก็ต้องไปวัดกันที่สนามรบและถ้าเรารอดจากสนามรบได้เราชนะในสนามรบได้ก็คืนชื่อว่าทักษะเรามีเพียงพอแต่ถ้าในกรณีที่เราเข้าในสนามรบแล้วเนี่ยมันเป็นสนามรบที่มันจะ ไม่เหมือนแบบฝึกสัทีเดียวมันจะโม้ซั่วตลุมบอลหลายทิศพันทางมันอาจจะไม่เหมือนแบบฝึกแต่แบบฝึกที่มีมันมีเพื่อพัฒนาทักษะของเราต่างหากทักษะที่เราจะไปสู้กับหน้างานในการปรับแต่งปรับใช้ยุทธวิธีที่มีทักษะเหล่านี้เนี่ยเราจะไปใช้ชันใดชั้นนั้น เรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องการทักษะทักษะที่ดีที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเรานำธรรมะที่เราได้นำไปใช้ให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันของเราถ้าเราจะบอกว่าธรรมะ ที่เราได้เฉพาะในคอสปฏิบัติธรรมและมันดีแต่พอเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของการทำงานแล้วเรายังสู้ไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าทักษะของเรามันก็ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมแต่เราจะเอาทุกอย่างให้มันเหมือนแบบฝึกมันเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุปัจจัยข้างนอก ให้มันได้เหมือนกับในวัดในข้อปฏิบัติแบบนี้หรอกเรามีหน้าที่ที่จะนำทักษะในการกำหนดสติของเราทักษะในการเข้าใจในการพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงว่ามันเป็นทุกข์นะให้เห็นถึงว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนแล้วเราก็ไม่ควรเข้าไปส่งใจให้ไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งเหล่านั้นเราต้องเอาทักษะพวกนี้ที่เราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราข้างนอกแต่ไม่ใช่ว่าจะปรับปรุงข้างนอกให้มันเหมือนกับคอสปฏิบัติธรรมที่ทุกคนก็มีมีแนวดีๆ ด, ด้วยกันทั้งนั้นะ่ะเพราะว่ามาเราก็อยากมาดีใช่อยากมาหาความดีแต่คนข้างนอกก็มีร้อย รอยพ่อพันแม่คนที่อยากดีก็มีคนที่อยากไปในทางชั่วอยากก็มีมากเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เอาตัวเราให้รอดในส ง, สงครามอันนี้สงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสซึ่งถ้าถ้าเราสามารถที่จะชนะได้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีชนะในที่นี้หมายถึง เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นต้นหรือเราสาวกกระหันของพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านชนะแล้วชนะในสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสอันนี้ชนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดมาเกิดซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อที่จะมาชนะมันให้ได้สักครั้งเนี่ยแต่สงครามระหว่างธรรมะกับกิเลส เราไม่ต้องไปนับว่าเราจะแพ้มันเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับแพ้ชนะมันครั้งเดียวพอขอให้ชนะมันให้มันได้เบเส็จเด็ดขาดแบบครั้งเดียวพอก็เป็นนั้นว่าจบได้จบงานที่เรามีแต่ถ้ามันยังไม่ชนะมันก็ต้องกลับมาสู้ใหม่ชาตินี้สู้ไม่ได้ก็ต้องกลับกลับมาเกิดอีกสู้อีก แต่ที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละชาติพบชาติที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะรับประกันรับประกันว่าเราจะเกิดมาเนี่ยเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารับประกันไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รับประกันว่าเราจะ ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำถ้าเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นประกาศคำสอนแต่เราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นหมูมากกาก้ากาไก่เราว่าพลาดโอกาสไปแต่ณตอนนี้นี่ยืนยันได้เลยว่า โอกาสดีแล้วโอกาสดีโอกาสทองของทุกท่านที่เกิดในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าก็อุบัติพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็แจกแจงเอาไว้ได้อย่างละเอียดลอเพียงพอต่ออนุชนรุ่นหลังที่ได้ฟังได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ได้ผล แล้วก็มีเหล่าสาวกมีเหล่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งในผลลัพธ์รู้แจ้งในทางเดินที่แต่ะองค์กตรละองค์ได้เดินทางไปเรามีเขาเรียกว่าตัวช่วยเยอะแยะเลยตอนนี้เราอย่าปล่อยผ่านให้ตัวช่วยของเราอันนี้เนี่ยมันมันผ่านไปแบบน่าเสียดาย ถ้าเราไปเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีคำสอนไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นความความชัดเจนระหว่างกุศลกับอกุศลจะไม่มีแบบนี้ความชัดเจนว่าอะไรคือบาอะไรคือบุญจะไม่ชัดเจนแบบนี้ทางเดินมันก็ด้นเดาเกาหมัดกันไปว่าแบบนี้เขาว่าดีแบบนี้เขาว่าดีก็เหมือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเนี่ยก็มีลัทธิมากมาย แต่สุดท้ายก็ต่างคนต่างด้นเดากันไปว่าอะไรคือความดีอะไรคือที่สุดของความดีแล้วมันก็ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นก็ไม่ได้ท่านไม่ได้อะไรใหม่ขึ้นมานะเพียงแต่แจกแจงในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันถูกต้องกับความเป็นจริงของมันแล้ว มันก็ทำให้เรามั่นใจไดนะ้ว่าเราไม่ต้องมาลังเลสงสัยในคำสอนว่าสิ่งที่ท่านว่าเป็นกุศลนี่เป็นกุศลจริงไหมสิ่งที่ท่านว่าเป็นอกุศลนี่เป็นอกุศลจริงไหมเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยเราก็ทำได้เลยปฏิบัติไปเลยขอแค่ว่าทำให้มันเต็มที่ ทำใหมันเต็มที่เท่านั้นแหละแล้วก็อยากจะย้าอีกอีกอะว่าความเข้าใจก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีความเข้าใจที่มันต้องถูกต้องด้วยเพราะนั่นการที่เราจะเข้าใจมันก็ต้องมาศึกษาค้นคว้ามาคิดพิจารณา แต่การที่เราคิดพิจารณาโดยปราศจากความสงบของใจเนี่ยมันลำบากมันเหมือนว่าเรากำลังใส่แว่นที่ไม่ใช่เป็นกระจกใสๆไม่ใช่เป็นเลนส์ใสๆอาจจะเป็นแว่นใสแว่นแฟชั่นสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงแต่การที่เรามีความสงบเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราใส่แว่นนมันเป็นแว่นใสๆไง เห็นสีสันที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงแต่การที่ใจเราไม่สงบเนี่ยมันก็เหมือนเราใส่แว่นสีไม่สงบนี่มันทำให้เรามีความคิดพิจารณาบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปลำเอียงไปเพราะความรักบ้างลำเอียงไปเพราะความาความหลงบ้างความพยาบาทบ้า ง, างถ้าเราไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งเราก็ ตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเนี่ยเขาทําดีเราอาจจะมองเป็นไม่ดีก็ได้ด้วยความไม่ชอบอนะแต่คนที่เรารักเราพอใจเรามองเห็นโอ้อะไรก็ดีไปหมดทัด้งๆๆที่เขาทำบาปกับกุศลก็ได้ในขณนที่เรามีอารมณ์ที่มันสงบประงับแบบนี้เนี่ยมันยังพอที่จะบังคับใจสอนใจให้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่าเขาทําให้ถูกนะ ทำบาปอยู่นะเราไม่เอาด้วยนะเขาชวนเราทําผิดศีลนะไม่เอานะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าใจเรามันโดนความรักครอบงําดนความโกรธครอบงําอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะความรักเนี่ยคําว่าชวนเราทําผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็ไปได้ความเกรงใจความรักใคร่เพราะฉะนั้น การที่เรามีใจที่มันสงบอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสอนใจเราได้ดีขึ้นนะแล้วทักษะที่เราได้เนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในสนามรบจริงคือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็มีงานเขาเรียกว่าจะบอกว่ามันเป็นสองส่วนนะงานสองส่วนที่เราจะต้องทำเป็นงานหลักกับงานจร อะไรขึ้นชื่อว่างานหลักอะไรขึ้นชื่อว่างานจรงานหลักก็คือการที่เราจะทำใจให้สงบรักษาใจแล้วเราก็นาใจที่สงบเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเรล่านีีอันนี้จำเป็นอันนี้คืองานหลักของเราเลยแต่แน่นอนแหละเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่มาพิจารณาอย่างนี้ ได้อย่างเรื่อยๆเนืองๆเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันผัดสะมันมากมายหลายเรื่องพันแนวมาเยอะแยะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องคอยมวัวแต่ยุ่งกับงานจรงานจรก็คือ การที่เราจะต้องมีสติรักษาใจมีสติคอยป้องกันอารมณ์ต่างๆจากตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีมากระทบกระทบใจปุ๊บถ้ามันเป็นเรื่องไม่น่าพอใจเราก็ขวขัดเคืองขึ้นมาในใจถ้าเรายังไม่มีสติที่เป็นสัมมาสติเห็นว่า ใจของเรามันเร่าร้อนไปด้วยความขัดเคืองแล้วนะเราสมควรแก่การรักษาจิตใจเราได้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสัมมาสติแบบนี้เนี่ยกิเลสมันก็จะชักจูงให้มันพัฒนาไปอีกพัฒนาให้เห็นดีเห็นงามกับการแก้ความขัดเคืองใจในการที่เราจะคิดเบียดเบียนเขาพูดก็พูดว่าเขาทางกายก็อาจจะทำร้ายเขา นนพอยิ่งทำเนี่ยมันก็ยิ่งเสริมเสริมให้ใจเราเนี่ยขัดเคืองมากขึ้นเราร้อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้พัฒนาจากความขัดเคืองไปเป็นความโกรธพอโกรธเรายังไม่มีสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นอีกคอยฉุดรั้งเอาไว้ให้กิเลสมันยังครอบงาใจเราอยู่ได้มันก็พัฒนาให้มันมากขึ้นอีก ให้กลายเป็นการผูกพยาบาทยังไม่เห็นหน้าเขาเราก็ผูกพยาบาทเขาไว้ก่อนผูกเอาไว้ยังไม่เจอก็ผูกเอาไว้ถ้าผูกพยาบาทมากๆนี่ก็ผูกเวนเลยทีนี้ผูกเวนนั้นหมายถึงอะไรข้ามพบข้ามชาติกันไปเหมือนอย่างนางยักษซี น, นี่ผูกเวณกับหญิงคนหนึ่ง ก็ ป, ปูกเวนกันบ้างหลายภพหลายชาติเพราะเนื่องด้วยตัวเองเนี่ยเป็นหญิงหมันพอพ่อแม่สามีจะหาคนอื่นมาให้ลูกชายเพราะว่าต้องการให้มีบุตรตัวเองก็ไปหามาไปหามาเองเพราะว่าด้วยความคิดว่าเราคงจะสั่งเขาได้แต่พอเขาตั้งท้องขึ้นมาจริงๆก็กลัว กลัว่าเขามีลูกแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสําคัญลดน้อยลงสุดท้ายก็เลยวางยาซะให้แทงลูกแทงตั้งหลายครั้งสองครั้งสาครั้งนจนตายก่อนตายหญิงท้องคนนี้ก็ผูกพยาบาทเอาไว้ผูกเวรเอาไว้ว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยขอให้ฉันเกิดเป็นยักษ์ให้ได้มากินลูกคนนี้บ้าง ก็ไปเกิดอีกหลายภพหลายชาตินั่นแหละกินลูกกันไปกินลูกกันมาสลับกันไปสลับกันมาจนสุดท้ายนี่มาเจอพระพุทธเจ้าของเราเนี่ก็จึงได้เหมือนมีกรรมการมาห้ามนนะพามีกรรมการมาห้ามชี้โทษพอชี้โทษให้เห็นตัวเองก็ทำใจเข้าใจยอมรับในเหตุผล ก็เลิกผูกเวีนกันไปแต่ถือว่าโชคดีที่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นกรรมการนะถ้าไปไม่มีมันก็ผูกเวียนกันไปเรื่อยไม่งั้นเวีนอันนี้มันก็จะผูกกันไม่เลิกกันลยก็จะชี้เหตุหนึ่งว่าการที่เราไม่เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยกิเลสมันก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้มัน มีบาปอาุศสที่มันรุนแรงขึ้นแต่การที่เราฝึกสติให้มีสัมมาสติมีเครื่องอยู่ของใจมีพุทโธเป็นต้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องชุดรั้งเครื่องดึงรังให้ใจของเราเนี่ยพ้นจากการครอบงำของกิเลสในใจของเรา เพีนทักษะที่เราได้เนี่ยเราต้องเอาไปใช้ไปใช้ให้มันกลมกลืนในชีวิตของเราการงานหายอยู่หากินมันก็เป็นการงานอันหนึ่งแต่การงานทางด้านจิตใจเนี่ยเราจะให้มันเป็นจังหวะเป็นเวลาตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนพักเบรคของเราเนี่ยมันมันไม่เพียงพอแน่นอนแต่การที่เรานําทักษะที่เรามีแล้วนาธรรมะ ซึ่งมันสามารถที่จะทำไปควบคู่กับงานงานหาอยู่หากินของเราได้มันต้องทำให้มันควบคู่กันไปมันทำได้อย่างการมีสติเนี่ยการมีสติคุ้มครองใจเนี่ยมันเป็นทักษะที่จำเป็นสำคัญยิ่งยวดซึ่งถ้าเราหาอยู่หากินแล้วเรา ไม่มีทักษะในการที่เราจะสังเกตใจเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจแล้วก็ควบคุมจิตใจเราก็จะหาอยู่หากินบนกองทุกไปมีทุกขมากมีสุขน้อยสุขส่วนมากก็เป็นสุขทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ใช่ความสุขอันเกิดแต่ในภายในจากความสงบระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วย แต่การที่เราได้นำทักษะคือการฝึกสติของเราที่นี่กับเครื่องอยู่พุโทโธของเราไปใช้คอยรักษาใจของเราให้ใจของเราเนี่ยเป็นผู้คลิตที่เรียกว่าหลีกไกลจากกิเลสให้ได้หลีกไกลจากความคิดอกุศลอันเป็นผลของกิเลสให้ได้ ไกลาจากการพูดการกระทําอันเป็นผลจากกิเลสให้ได้แต่ทักษะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ม, มันดูเหมือนจะเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยมั น, มนถ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันงอกออกมาจากมเมล็ดฉันใดนธรรมะทั้งหมดทั้งมวลที่เราต้องนำไปใช้เนี่ยมันออกมาจากจุดจากต่อมอันเดียวก็คือสติของเราเนี่ยแหละ สัมมาสติที่เรากำลังฝึกนี่แหละเพราะสัมมาสติที่เรามีมันก็ทําให้เรามีขันติมีเมตตามีการใกล่คลวรวญมีวิริยะมีปัญญามันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นแหะแต่ถ้าสัมมาสติของเรามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยขันติก็เกิดขึ้นลําบาก ไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราจะมาใคร้ครวนพิจารณาให้เห็นโทษแล้วปล่อยวางเป็นไปไม่ได้มันให้เราคิดพูดทำไปในแนวทางของกิเลสแน่นอนแต่อย่างที่ว่าการที่เราหาอยู่หา ก, กินแล้วเนี่ยส่วนมากเราจะปัน่นปั่นเวลาทักษะของเราทักษะทางใจของเราเนี่ย ไปใช้กับงานจรสมากจนบางครั้งเนี่ยเราออกไปแล้วเราอยู่ในชีวิตในแบบของเราแล้วเนี่ยเราลืมที่จะมาพัฒนานงานหลักของเราด้วยงานหลักของเราก็คือการที่เรามีสติจนมีอารมณ์ตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยแล้วเอาอารมณ์อันนี้เนี่ยใจอันนี้ที่มีอารมณ์อันนี้เนี่ย มาพิจารณาให้เห็นโทษในวัฏฏะอันนี้ให้เห็นถึงว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปได้บ้างสิ่งที่เรากําลังพยายามสรรหาครอบครองยึดถือเอาไว้มันติดตัวเราไปไม่ได้เลยถ้าเราตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกเมียผัว ต่างๆมันเอาไปไม่ได้บ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศความสรรเสริญเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราลืมที่จะพัฒนางานหลักอันนี้เราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ยากเพราะการที่เราพัฒนางานหลักอันนี้ได้ดีเนี่ยมันทําให้ ใจของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความรู้มีวิชาที่มันเกิดขึ้นในใจิตใจของเราเป็นวิชาคือความรู้ไม่ได้รู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงของโลกใบนี้พอเรารู้ตามความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือว่าความหน่ายความคลายกำนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความดับ แล้วก็นิพพานมันจะไปในแนวนี้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้รู้ตามความเป็นจริงได้มันจะเกิดนิพิทาคือความหน่ายคือพูดง่ายๆคือเราจะไม่เห็นถึงสาระแก่นสารของมันอย่างเต็มที่โดยถ่ายเดียวแต่เราจะเห็นถึงความไม่มีสาระเก่นสารในสิ่งต่างๆของมันไม่ว่าจะสิ่งไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นข่าวของเงินทองบ้านเรือนเพื่อนฝูงลูกเมียผัวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายตายไปแล้วมันมีสาระแก่นสารตรงไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าให้เรารู้ความจริงตรงนี้แล้วเราเป็นคนที่มีใจกระด้างเนี่ยไม่ใช่แต่เรารู้ความจริงตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ใจของเราเนี่ย ไม่หนักไม่ยึดไม่ถือรู้จักที่จะคลายปล่อยวางใจมันจึงจะเบาสบายได้จากการที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงในธรรมชาติของโลกใบนี้นี่แหละเราก็จะมองเห็นถึงสาระของมันว่ามันมีสุดอยู่ตรงนี้ถ้าเลยจุดตรงนี้ไปมันไม่มีสาระแล้วนะ เราไม่ควรค่าแก่การที่เราจะเอาใจไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นกับการที่ใจไม่ได้พิจารณาเขาก็ไม่เห็นที่สุดของสาระในสิ่งต่างๆพอไม่เห็นที่สุดทั้งหมดมันคือสาระคนโบราณเขาก็เปรียบเทียบไว้ว่าโลกใบนี้มันก็เหมือนละครโรงละครใช่ไหม มันก็อย่างนั้นนั่นแหละเพราะตายไปแล้วมันก็ไปเรื่องใหม่ไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาก็เรื่องใหม่ที่มันไม่ใช่มนุษย์ใครทำบาปอากุศลมากก็ไปเสวยผลกรรมในนรกมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรากาลังทำงานเจอเพื่อนคนนั้นเจอปัญหาแบบนีเ้เป็นเรื่องใหม่ไปแล้วเป็นละครฉากใหม่ของเรา มันไม่มีสาระเก่นสารเต็มที่เต็มร้อยโลกสมมุติใบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรานำใจที่มันสงบระงับมีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นเนี่ยให้ใจมันซึง้งให้ใจมันเห็นให้ใจมันเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระแกณสารที่เราควรจะนำใจอันมีค่าของเราเนี่ยไปผูกยึดเอาไว้เพราะว่าการที่เราผูกยึดเอาไว้สักวันหนึ่งเนี่ย มันต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งที่เราผูกไว้ยึดเอาไว้แน่นอนพราะมันพลัดพรากมันเสียหายมันตายจากกันไปมันก็กระทบใจแน่นอนพอเราพัฒนางานหลักตรงนี้ได้ดีเนี่ยมันก็เอือเ้องเอื้อทำให้เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากในการที่เราจะมารักษาใจด้วย เพราะการที่เราเข้าใจถึงความไม่มีสาระแก่นสารที่แท้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นของมันเกิดเป็นธรรมดาทั้งหมดมันมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารู่แล้วมันมีสาระเฉพาะตอนที่เรากำลังใช้อยู่นั่นแหละเพราะนั้นใช้ก็อย่างใช้อย่างระวัง ใช้อย่างระมัดระวังไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่ไปติดมันแล้วสิ่งที่คนเราเนี่ยติดมากที่สุดอ่ะไม่ได้ติดอะไรมากที่สุดก็คือไม่ได้ติดรถติดบ้างติดคนรักหรอกติดตัวเองนี่แหละเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยท่านจึงให้หมัน่นหมั่นที่นอกจากเราจะพิจารณาถึงสิ่งต่างๆภายนอกจนเห็นโทษแล้วเนี่ย ให้เราย้อนกลับมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่มีสาระเกลนสารไม่มีตัวตนของเราด้วยและไอ้คำว่าเราเราๆนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรบ้างที่มันเป็นเราเราบอกว่าแขนของเราเ้าตัดแขนทิ้งไปโยนไปอยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าเรานี่แหละเราสั่งมันได้ไหมให้มันขยับเราสั่งมันได้ไหมให้มันยังอยู่อย่างนั้นตลอดหรือจับมันมา ติดเไว้เราก็สั่งมันไม่ได้ให้มันติดกันแล้วก็ให้มันขยับเขยื่อนมันอย่างที่เราต้องการถ้ามันเป็นของเราจริงสั่งได้มันต้องฟังมันก็เห็นถึงว่าวันหนึ่งมันก็จะไม่ฟังเรามันไม่เชื่อฟังเราถ้ามันไม่เชื่อฟังเรามันก็ขัดใจเราแน่นอน พอมันขัดใจเราเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นมันจําเป็นที่เราจะต้องพิจารณาตัวเราด้วยบ่อยๆให้เห็นถึงความสั่งไม่ได้ว่าไม่ฟังของร่างกายของเรานี่เองแล้วสุดท้ายเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นสาระเกี่ยนสารในคําว่าเรากันแน่ร่างกายหรือจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีจิตใจตั้งหากที่มันเป็นแกนหลักแกนสําคัญพอมันเป็นแกนหลักแกนสําคัญแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นป่วยไข้เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของร่างกายอย่าให้มันมากระทบใจเรามากจนเกินไปอย่างบางคนป่วยกายก็ป่วยใจไปด้วย อย่างเป็นมเร็งเงี้ยรักษาไม่หายเงี้ยใจก็หดหู่ไปด้วยแล้วมันจําเป็นไหมที่จะป่วยกายแล้วต้องป่วยใจแต่คนที่เป็นนักรบนักรบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อย่าต่อสู้นะต่อสู้ทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นทาตมันไม่เป็นทาตของความเห็นผิดไม่เป็นทาตของ อารมณ์ต่างๆที่มันมากลุ่มลุมจิตใจในทางผิดๆกายมันก็ส่วนกายไปคนเราเกิดมามันไม่ป่วยตายมันก็ตายหมดนั่นแหละบางคนโดนรถชนตายบางคนแก่ตายบางคนฆ่าตัวตายก็มีมันตายทุกคนนั่นแหละเกิดมามันตายหมดนั่นแหละจะตายแบบไหนก็แล้วแต่ตายทั้งนั้น ถ้าในเมื่อคนเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันตายหมดเนี่ยมันจะตายด้วยโรคมันไม่เห็นจะจต้องทุกข์เลยนี่จะสุขภาพดีตายมันก็ตายเหมือนกันจะป่วยตายมันก็ตายเหมือนกันก็ไม่จาเป็นจะต้องไปทุกข์อะไรกับมันเพราะมันเป็นของที่มันต้องตายแน่นอนแต่ถ้าเราได้คุยกับตัวเองด้วยสอบถามสอบทวนใจของเราเนี่ย เราก็จะได้เข้าใจตัวเองนี่แหล ะ, ะเราลองถามตัวเองป่วยแล้วทำไมเราถึงทุกข์ใจก็เพราะเร า, เราอยากให้มันหายป่วยไงเพราะเราคิดว่าหายป่วยมันดีและอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีความเห็นว่าเรายังอยู่อีกนานเราเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องตายสักวันหนึ่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นส่วนมากเราจะรู้สึกว่า เรายังอยู่อีกนานอยู่ชั่วกับชั่วกั่นเลยความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านถึงให้เราพิจารณาให้เห็นความตายบ่อยๆเนืองๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีสติที่เป็นสัมมาสติแล้วเกิดความที่เขาเรียกว่าไม่ประมาทในชีวิตของเราเนีดีกับการที่เรามานึกถึงพิจารณาความตายบ่อยๆ พราของร้มันของของนี่เป็นของตายอ่ะของตายแน่นอนอะไรมันตายก็ร่างกายเนี่ยมันตายไปจิตใจมันตายมยมันก็ไม่ตายนะตราบใดที่เรายัางชำระกิเลสไม่หมดมันก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดนะวนวนหลูแบบนี้ไปเรื่อยๆอยถ้่เราพิจารณาจนเราเห็นแจ้ง มีความรู้เกิดขึ้นในจิตใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาใจเราจึงได้คลายจากการผูกติดผูกยึดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่ได้คิดคิดเพียงอย่างเดียวนะสำคัญคือเราสอนลงไปในใจให้มันเป็นความรู้สึก ลงไปในใจความเข้าใจเพียงแค่ชั้นตรกกะความคิดผูกโยงว่าน่าจะใช่มันยังไม่เพียงพอแต่เราต้องนำความรู้ความเข้าใจทางความคิดยัดลงไปในใจใส่ลงไปในใจให้มันกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาในใจให้ได้สิ่งที่ท่านพระัญกากทัญญานเนี่ย ท่านเป่งออกมาว่ายังกินจิสมุเดยธรรมมังสบับบรรตังนิโรธธรรมมังเนี่ยท่านเปร่งเป็นคำพูดก็จริงแต่มันมาจากไหนมันมาจากความรู้สึกที่มันใช่มันใช่มันใช่นะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันใช่อยู่ในใจเนะี่ยมันใช่จนขนาดถึง ล้ออกมาเป็นคำพูดเน่ น, นะเพราะฉะนั้นความจริงที่เราพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาให้มันใช่ลงไปในใจของเราใช่ลงไปในความรู้สึกของเราสอนใจหน้าสอนใจงานหลักก็ต้องทำเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยสอนไปเรื่อยๆหัดคุยกับมันบ่อยๆมันคิดไปเรื่องไหน คิดไปเรื่องอยากจะเบียดเบียนคนอื่นเราก็รู้แล้วนะี่ว่ามันไม่ดีเราก็ดึงกลับมาไว้ที่พุโทโธอันนี้มันก็เป็นงานจรใช่ไหมแต่พอเราอยู่กับพุโทโธสงบดีแล้วเราก็เนี่ยมาพิจารณานี่แหละให้เห็นถนึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงว่ามันเป็นทุกข์ให้เห็นถนึงความไม่มีตัวตนไม่เป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือสติอีกอย่างหนึ่งที่มันจะต้องแจ่มชัดด้วยนะแจ่มชัดสอนลงไปในใจของเราเพราะฉะนั้นสติอันหนึ่งใจอันหนึ่งมีสติคอยรักษาใจมีสติคอยรักษาใจแล้วก็คอยสอนใจด้วยมีสติคือความระลึก มีสติที่มันแจ่มชัดคือความระลึกของเรามันไม่แช์เชืออไม่ไม่เชยไม่เหนื่อยแต่เป็นสติที่มันสว่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นตื่นก็คือไม่แช์เชือนไม่เหนื่อยไม่หลับพอตื่นรู้นะพิจารณา แล้วมันปล่อยวางได้เนี่ยใจมันจึงจะเบิกบานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาสอนก็สอนมันลงไปในใจนี่แหละมีสติคอยสอนมันลงไปในใจแยกกายออกมามันเที่ยงไม้มันทุกข์ไม่เห็นนั่งอยู่ น, นก็ปวดปวดปวดปวดกายแลปวดใจทำไม ถ้ามันปวดใจแล้วอะไรมันถึงมาปวดได้ใจมันมีตัวมีตนไหมใจมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันปวดที่ขาเนี่ยมันมาปวดใจได้ยังไงอาก็ามันส่งใจนี่ความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่ยมันวิ่งออกไปที่ขาวิ่งออกไปที่ปวดอาแต่การที่เรารักษาใจให้ดี อยากปวดปวดไปอยากปวดปวดไป ใ, ใจเราอยู่ที่ยกออกมาจากขามาไว้ที่สติมาไว้ที่พุทโธแล้วก็ช่างมันอยากปวดปวดไปเราอยู่กับความปวดได้ความปวดเราก็อยู่ได้กันได้อยากปวดปวดไปใจเราก็อยู่กับปวดได้ยอมรับความปวดมันเป็นของมอยูอะแต่มันแน่นอนมันเป็นไม่เที่ยงเราเปลี่ยนท่า หรือเราได้เวลาเลิกมันก็หายไปเพราะนั้นมันจะอยู่สักอีกสักนิดนึงล้าก็อยู่ก่บมันได้ช่างมันพอใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นความปวดที่มันปวดกายแต่มันไม่ปวดใจได้เนี่ยมันยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นเลยว่าเวลาที่กายส่วนหนึ่งแล้วใจที่มันส่วนหนึ่งเนี่ยมันแยกจากกันทุกกายก็ส่วนหนึ่ง ที่มันไม่เข้าถึงใจเนี่ยมันมีสภาวะแบบนั้นมันมีแล้วการที่เราปวดกายแต่เรารักษาใจไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็หนีไปคิดสาระคิดคิดคิดเอาอยากคิดคิดไปอยากคิดก็คิดไปแต่เราดึงใจความใส่ใจของเรามายินดีกับการที่เราอยู่กับพุทโธ อยากคิดคิดไปแล้วก็อยู่กับความคิดแย่ๆได้อยากคิดแค่คิดไปแต่เราก็รกักษาใจอยู่กับพุโทโธไว้เพราะฉะนั้นใส่ใจอยู่กับพุโทโธเราไม่ใส่ใจกับความคิดฟุ้งซ่านก็มีไปมันเป็นของมีอยู่ก็มีไปก็เหมือนขานี่ยแหละมันก็มีอยู่มันจะไม่ปวดใจไม่งดกิจใจ แล้วยิ่งมันทําให้เชื่อมั่นลงไปได้อีกเลยว่าเวลาที่กายนี้มันหายไปเนี่ยอะไรที่มันเด่นชัดที่สุดที่เราจะรับรู้ได้มันก็คือใจของเรานี่เองแล้วถ้าใจมันไม่ทุกข์อะไรมันจะทุกข์ถ้าใจมันยังอยู่อย่างนี้ไม่หวั่นไหวในแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไง การที่เราทุบใจที่มันวิ่งหนีออกไปไปยึดความปวดก็ดีไปยึดความฟุ้งซ่านก็ดีเราก็จะเห็นนะว่าจังหวะที่ใจมันเผลอออกไปเนี่ยเผลอไปอยู่กับสิ่งสองสิ่งนี้เนี่ยทำให้ใจมันทุกข์ขึ้นมาเราร้อนขึ้นมาแต่กับการที่เรามีสติตั้งขึ้นใหม่ตั้งไว้อยู่กับพุโทโธอยู่ได้ ดึงใจดึงความใส่ใจของเราย้อนกลับมาไว้ที่พุทโธอยู่ได้เราก็จะเห็นถึงสภาวะที่ทุกภายนอกแต่ไม่ทุกที่ใจถ้าเราทำอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยทักษะในการที่เรารักษาใจมันต้องดีแน่นอนใช้ในชีวิตประจำวันมันก็แบบนี้แหละ ใครพูดไม่ดีใส่เราใครทำไม่ดีใส่เราใจมันก็วิ่งออกไปรับนั่นแหละโดยปกติแต่พอใจมันร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เหมือนโดนเคี่ยนยนะถ้าเป็นคนฝึกแล้วนะมันเหมือนโดนเคี่ยนเคี่ยแล้วทำไงก็ดึงกลับมาไว้ที่ฐานที่มั่นของเราที่พุทโธมันก็จะได้เห็นว่าของสกปรกมันก็อยู่ข้างนอกนแหละ ถ้าเรารักษาใจอยู่กับพุโทโธได้ดีใจเราก็ยังสะอาดไม่หวั่นไหวถึงเปื้อนก็เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนเยอะไม่เหนื่อยในการที่เราจะมาทำความสะอาดในภายหลังรักษาใจฝึกใจศึกษาก็ตรงนี้แหละไม่ได้ทำอะไรเยอะที่สติที่ใจที่สติ รักษาใจที่สติคอยหมั่นพิจารณาที่ใจให้เห็นถนึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงความว่ามันเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนและไม่ควรค่าแก่การที่เราจะยึดมั่นถือมั่นควรค่าแก่การที่เราจะปล่อยปล่อยวางไม่ยึดถือภายในมันก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละ ก็ให้ฝึกให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ